เป็นสอนวิทีทุกท่านนะเป็นไงสวดมันแล้ว้ปิดใจเป็นยังไงเปิดชื่อเปิดบานหรือยังซึมๆเป็นยังไงก็ได้นะือใจเราบังคับไม่ได้นะ ตื่นเช้าตื่นวามันจะเป็นแบบไห น, นกลังวันจะเป็นแบบไหนตอนเย็นตอนค่ำมันจะเป็นแบบไหนอันนั้นเราเราบังคับไม่ได้สังเกตไหมบางทีตอนเนนะอนช้าตื่นขึ้นมาแต่ละวาันจิตใจก็ไม่เหมือนกันเราไปทำงานตอนเช้านะจิตใจก็ไม่เหมือนกันกลับมาบ้านตอนเย็นนะ จิตใจก็ไม่เหมือนกันแม้แต่มาปฏิบัติธรรมนะะแต่ละที่เดแต่ละคณะนะบางทีก็ไม่เหมือนกันคือมันมันไม่เที่ยงเนาะคือมันเอาแน่เอานอนไม่ได้เอาง่ายๆเท่านะจิตใจมันเป็นสิ่งที่เอาแน่อานอนไม่ได้รวมทั้งร่างกายเราก็เหมือนกันร่างกายเราก็เป็นสิ่งที่เอาแน่อานอนไม่ได้นะ ใช่ไหมเดี๋ยวก็สบายดีเดี๋ยวก็ไม่สบายนะีคือเรามาศึกษาธรรมะกินเนี่ยนะเราไม่ได้มามาจัดการร่างกายแล้วก็จิตใจให้มันให้มันดีอย่างเดียวนะมันเป็นแบบไหนเรารู้มันอย่างนั้นนหะนะการการฝึกสตินะการส ร, า ร, า ร, า ร, ารา้างความฝึกตัวคือการรู้เขาว่าเขาเป็นแบบไหนยอมรับ สิ่งที่เขาเกิดขึ้นมาแล้วก็อยู่กับเขาโดยที่เรีว่าแะไรเห็นเขาเป็นเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายกับจิตใจแต่แต่สติมันเหมือนเป็นผู้ดูอยู่แต่มันอยู่แต่ไม่ใช่ว่าให้ครอบมาครอบงำนะเช่นเห็นร่างกายบางครั้งไม่สบายแล้วก็เห็นอยู่ว่าร่างกายมันไม่สบาย แต่ไม่ใช่ว่าให้ความไม่สบายของกายมาครอบงใจให้เราเป็นทุกข์ด้วยนะเราก็จะเห็นนะกายมันไม่สบายนะแต่ใจมันก็เป็นปกติเป็นผู้ดูอยู่เฉยเฉยก็ได้หรือแม้แต่อารมณ์นะถ้าเรามีสติจริงเราจะเห็นว่าอารมณ์มันก็ไม่สามารถครอบงาจิตใจได้ถ้าเรามีสติเราจะเห็นว่าคอมโด ก, ก็ส่วนหนึ่งนะ แต่ใจเป็นปกติก็เป็นไปนได้แต่แรกๆมันไม่ก่อยเป็นระดับมันจะรู้สึกว่าตอนไหนมีสตินะตอนนั้นก็เป็นปกติมีความสุขดีตอนไหนที่ความโลภความโกรธความหลงเข้ามาเราหลงเข้าไปล้วก็ไม่เป็นปกติมันจะมันจะรู้สึกสองอย่างนะรู้สึกว่า เดี๋ยวก็ปกตนะิเดี๋ยวก็ไม่ปกตินะเดี๋ยวก็ดีหรือว่าเดี๋ยวก็ไม่ดีมันจะรู้สึกแบบนั้นแกลนะ้งตอนไหนมีสติ ก, ก็ดีนะตอนไหนไม่มีสติ ก, ก็ไปเป็นตามมันนะแต่พอตอนหลังนะถ้าสติเราเข้มแข็งตอนนี้เป็นมีสติดีนะก็เป็นปกติหรือแม้แต่บางครั้งมันมีอารมณ์มีความรู้สึกเกิดขึ้นมาแต่เราก็จะไม่ถลางเข้าไปเป็นเหมือน เมือนแต่ก่อนมันจะรู้สึกว่ามันอารมณ์อ่ะมันมาจะมาพุ่มเป็มันพุ่มไม่ได้มันเกือบจะพุ่งนะแต่เราไม่ให้มันพุ่มนะมันจะมีช่องว่างระหว่างระหว่างจิตใจกับอารมณ์นะไม่ไม่ผสมกันคล้ายๆแต่ก่อนมันเหมือนคล้ายๆอะเหมือนเหมือนสมมติออมนมผสมกับน้ําน้ําธรรมดาเนาะมันก็ เทลงไปมันก็ผสมกลมกลืนเลยนะแต่พอตุดไปเยอะๆนะมันเหมือนกับน้ํามันหรืออที่มันมันๆเนาะพามาผสมกับน้ํามันจะเป็นคนละชั้นกะนแรกๆมันคือเราจรู้สึกว่าเป็นเป็นเนื้อเดียวกันนะเช่นจิตเวลามันโกรธเราจะรู้สึกว่าเราโกรธเนี่ยเวลาเราหลงเวลาเราอยากมันจะรู้สึกมันผสมกันเลยกลายเป็นเรา เป็นของของเราเราก็จมในความทุกข์นั้นตลอดเลยนะแต่พอเราภาวนาไเรื่อยมันจะรู้สึกเออมันมันไม่กืนลงกันไปนะมันจะรู้สึกเหมือนเสื้อผ้ากับร่างกายใช่ั้ยร่างกายกับเสื้อผ้ามันก็คนละอันกันมันก็แค่แค่เอามามันมาเป็นเปลือกเปือกนะเราจะเข้าใจอ้อจิตกับเจตสิกนะมันคนละอันกั น, กน เจตสิกคืออาการของจิตนะอะจิตโดยธรรมชาติแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรมาก่อนแต่เจตสิกมันมันเกิดขึ้นกับจิตมันก็เลยไปเป็นเช่นนั้นเจตสิกตัว อ, อย่างก็เป็ น, เ ป, นเป็นกิริยาของจิตก็ได้เหมือนร่างกายหระกิริยายืนเดินนั่งนอนคูยเหยียดเล่นไหวแต่ร่างกายกิริยามก็ใช่ไหมกดั น, นกัน กิริยามเป็นเพียงแค่สมมุติที่เกิดขึ้นทีละขณนะแต่มันก็ไม่ใช่ร่างกายจริงกิริยาของจิตก็เป็นแบบนั้นแหละมันก็เป็นเพียงแค่สมมุติที่เกิดขึ้นถ้าเราดูดีเ ร, เราจะเห็นว่าที่จริงทุกอย่างนะมันก็เพียงแค่เกิดขึ้นชัวน่วขณะแล้วก็ดับไปชัว่วขณะไอ้ที่บอกว่าโกรธข้ามวานันข้ามคืนหลงข้ามวานันข้ามคืนทุกข้ามวานันข้ามคืนจริงๆมันเรา จับมันไว้ปิดไปต่อเอง้อเราออกจับมันไม่เป็นใช่ไหมแต่เราทุบแหละแต่ร้องไห้นะบางทีมันก็อาจจะมีบางช่วงที่มันก็ดึงความทุบไปบ้างแหละแต่บางทีถ้าทุบมากๆเราก็เราก็ออกไม่ได้มันก็จะรู้สึกมันทุบหนักเนาะอืแต่ถ้าคนรู้จักออกมานะมันก็จะถอยออกมาได้เป็นทีละขณะะทีละขณะ การภาวนาเนาะเราจะต้องฝึกแบบนี้นะฝึกให้เราออกจากความหลงนะความหลงที่บ่อยที่สุดคือความคิดฝนะึกออกมาจากความคิดบ่อยบอยออกมาอยู่กับที่ไหนออกมารู้สึกตัวที่ร่างกายนะแรกแรกเลยนะฝึกก็คื อ, อเราอย่าเพิ่งเราอย่าไปให้ความคิดมาครอบงำจิตใจครอบงำอารมณ์ทุกอย่างนะให้ เอาจิตใจนะ่มารู้สึกตัวกับร่างกายนะเราก็เด้ตร้างการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อให้ใจมันรู้สึกที่การเคลื่อนไหวหรือการกระทําของร่างกายที่ไหนที่ปัจจุบันนะไม่ใช่คิดเอานะร่างกายไม่ใช่คิดเอาว่ากำลังยกมือกำลังหายใจรู้สึกก็คือ ดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วก็คือตัวคือรู้ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายความรู้สึกเช่นไหนั่งเนี่ยความรู้สึกที่มันรับรู้ว่าร่างกายกาลังนั่งเนี่ยคือความรู้สึกหรือลมแอร์กระทบนะความรู้สึกอะไรร่างกายที่มันรับรู้มันหนาวมันเย็นอะไรนั่นนี่คือ อันนี้ก็คือรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับร่างกายเจ็บปวดเมื่อยก็เหมือนกันก็เป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายนี่คือความรู้สึกนะนั้นการรู้สึกตัวก็คือการรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตัวไม่ว่าจะเป็นอีรยางโสดนะเดินใช่แล้ก็เดินมันต้องมีความรู้สึกในการในการเคลื่อนไหวยกในการเหยียบสัมผัสบนไฟ เรายกมือเั้งอไหร่มีการเคลื่อนไหวรู้สึกมีการกระทบมันก็รู้สึกมีการหยุดมันก็รู้สึกนี่คือควารู้ความรู้สึกรู้แบบรู้แบบสบายๆนะอย่าไปตั้งใจรู้มากเกินไปบางทีถ้าไปตั้งใจรู้มากเกินไปมันจะคล้ายๆมันจะไปคอยรู้มันจะไปดักที่จะรู้ เมือนมันไปรอที่อนาโคตอ่ะว่าเมื่อไหร่มันจะเกิดอันนั้นคือไปไปรอไปรอดูมันจะเกิดเมื่อไหร่เช่นเราเดินนะเราไปคอยดูตอนเท้ามันจะเหยียบลงพื้นนะแต่จริงตอนที่คอยอ่ะตอนเท้ามันอยู่ที่เส้นการยกอยู่เราไปคอยอยู่ตรงนั้นละพอมันเหยียบลงไปปุ๊บนะคราวนี้มันก็เลยไปจับแน่นนะมันก็จะไปแค่เดี๋ยวนั้นนะ บางทีถ้าเราตั้งใจมากมันจะเหมือนไปคอยคอยที่จะรู้นะหรือก็จะเป็นการรู้แบบแบบแน่เกินไปนะมากเกินไปนะัะดังนั้นดัง น, นั้นก็อย่าไปคอยรู้ <c ười> แต่ถ้าใจมันมันแต่บางทีสติก็ตื่นขึ้นนะ ใจไปคอยที่จะรู้นี่ก็มีสติอีแบบหนึ่ง น, นะแต่ถ้าไม่มีสติก็จะไปคอยแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าเราไปคอยแต่บางทีสติก็เกิดขึ้นตอนที่รู้ว่าใจมันไปคอยที่จะรู้นี่ก็มีสติแต่ถ้ารู้ตายเนี่ยพอดานรู้ลงที่ปัจจุบันเนอะดูไม่ทันผ่านไปแล้วก็ช่างหัวมันก็รู้การกระทำทั้งใหม่ไปเลยนะ ทํำนะเข้าใหม่แล้วก็ทําให้มันเป็นธรรมชาติธรรมดาอย่างวิธีการที่หลวงพ่เทียนท่านพาพวกเราทำก็ให้แต่การเคลื่อนไหวในอิรียาบถห ย, ย, ยากๆนี่แหละนะแล้วก็รู้ไปเ ร, รื่อยๆส่วนอิริยบทเล็กน้อยเนะี่ยให้มันเป็นเหมือนการรู้ที่มาเสริมเ่าเช่นบางทีนะเรารู้แบบเนี้ยบางทีตามกระคริบนะ ก็ไม่เคยไปรู้ตลอดหรอ ก, รอกแต่บางครั้งมันก็รู้นะหรือบางทีเราก็เคยฝึกดูลมหายใจมาบ้างนะบางทีเราก็จะรู้ลมหายใจแทบปัง้งแต่เราไม่ได้กําหนดสองส่วนด้วยกันนะเช่นเดินก็มนไม่ใช่ว่าไปกําหนดลมพร้อมในการเดินยกมือก็ไม่ใช่ไปกําหนดการเคลื่อนไหวมือพร้อมกับการหายใจนะไม่เหมือนเนี่ยพวกโยคะที่เขาอาจจะ ให้มีการเคลื่อนไหวไปพร้อมกับลมหายใจเปพร้อมไม่กําหนดพร้อมกันสองอยางแต่เรากําหนดอย่างเดียวเป็นหลักส่วนบางทีมอาจจะรู้อย่างอื่นแทรกก็ให้มันเหมือนเป็นเป็นตัวเสริมไม่ไม่ไม่ใช่ต้องไปรู้ทุกขณะนะดังนั้นตัวหลักของเราคือการเคลื่อนไหวยกมือสร้างจังหวะเดินจงกลมส่วนมันจะไปรู้อย่างอื่นแทรกกับพิบตาหายใจอ้าปาอะไรเนะนี้ยนะ หรือลมกระทบนะเป็นส่วนเสริมนะอันนี้คือเป็นส่วนเสริมไม่ใช่ส่วนหลักอันนี้คือส่วนเสริมของร่างกายส่วนเสริมอีกอย่างหนึ่งนะอันนี้ก็ไม่ต้องไปรู้ละเอียดมากในเบื้องต้นคือคือความคิดหรืออารมณ์นะมันจะคิดกี่ครั้งคิดกี่เรื่องคิดเรื่องอะไรไม่สําคัญนะไม่จําเป็นว่าเราจะ ต, ต้องไปรู้ว่ามันคิดอะไร แค่รู้ว่าความคิดมันแทรกขึ้นในใจแค่นั้นนะไม่ต้องไปสนใจเลยมากแค่รู้สึกว่าใจมันมันมีความคิดเกิดขึ้นแค่นะนํะนี่คือส่วนเสริมที่เราจะทำให้เราเห็นว่าเออเราสร้างจังหวะอยู่เราเดินจมกลมอยู่แต่ก็มีความคิดแทรกเข้ามาจะเห็นว่าเนะี่ยมันก็เกิดของมันเองแต่เราไม่ไปไหลไปกับมันมันก็ไปมันก็หยุดแค่นั้นนะ มั <c oughs> นก็เจบแค่นั้นแต่ถ้าบางอารมณ์บางความคิดเราไม่รู้เท่าทันเนาะเราก็เผลอไปปุ่มแต่งกระมันนะแต่เผลอไปแล้วไม่เป็นไรนะรู้ทันว่าเราเผลอไปก็ก็แค่นั้น น, นะจบแค่นั้นไม่เป็นไรก็กลับมารู้สึกตัวใหม่นะที่จริงก็ไม่ได้ว่ากลับหรอกพอมันเรารู้ทันมันจริงจริงนะมันจะหยุดกรรมมันเองมันไปต่อไม่เป็นนะมันไปต่อไม่เป็น มันก็หยุดตรงนั้นเมื่อหยุดตรงนั้นลความรู้สึกตัวที่มันอยู่กับเนื้อกับตัวมาก่อนมันก็จะกลับมาของมันเองนี่คือไม่ต้องไปห้ามความคิดแต่ให้รู้ทันเวลาเราเผลอไปคิดไม่ห้ามอารมณ์ความรู้สึกอะไรต่างๆจะรู้สึกอย่างไรก็ได้แต่ให้เราแค่รู้ว่าเป็นแบบไหนแค่นี้ฝึกแบบนี้ฝึกว่า ให้เรามีสติเป็นสร้างสภาวะผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นส่วนสิ่งที่มันเห็นสิ่งที่รู้เนะี่ยคืออาการที่เกิดขึ้นในร่างกายก็ดีหรือในจิตใจก็ดีมันจะเป็นสองส่วนความรู้สึกที่มันเป็นเราอ่ะมันจะถูกแยกเพราะอะไรกายใจเนี่ยที่เราคิดว่ามันเป็นเราอ่ะมันจะเป็นสิ่งที่ถูกรู้อีกทีนึ่ง ค่้ายๆมือนดูคนอื่นนะแต่ดูคนอื่นมันดูด้วยตาเนื้อนะมันเห็นแต่ดูตัวเองอ่ะมันดูผ่านตาในคือความรู้สึกไม่ใช่ตานเนื้อไม่ใช่มองที่มือมองที่ขาแล้วมันเห็นว่าเอ๊ยมือของใครไม่ใช่นะแต่มันเป็นความรู้สึกที่พอเห็นอ่ะพอเห็นมือเห็นขาแต่จริงมันเห็นเป็นเป็นวัตถุอย่างนึงก็มันรู้สึกว่าไอ้ที่มันเคลื่อนไหวมันมันคือใครแต่เั็นเก่งไเวลา อย่างคนอาบน้ํำนะถูสบู่มีคนรู้สึกไอ้ที่มันกำลังอาบน้ํามันมันคืออะไรสักอย่างหนึ่งที่แต่ก่อนเรารู้สึกว่ามันเป็นเราอาบแต่พอบางทีบางคอาบนะรู้สึกมันเป็นอะไรสักอย่างหนที่ที่มันสัมผัสกับน้ํากับเคลื่อนไหวไปประมาณนี้หรือบางคนแปลงฟันแต่ก่อนเคยแปลงฟันแบบแปลงไปคิดไปลืมตัวแต่พอรู้สึกเอ้มือมันขยับ ปากมันถูกสะพันมันรู้สึกไอ้ที่มันกำลังทําอยู่เนี่ยมันคือใครไอ้คือใครเนะมันจะเริ่มมันจะเริ่มเอกใจเลาว่ารูปนะมันมันไม่ใช่เราจริงมันจะ่จริงความจริงมันมีล้วแต่แต่เราไม่ค่อยเห็นมันลักหนาแบบนี้นี่คือเราจะเริ่มแยกได้ว่าสิ่งที่มันถูกรู้คือสิ่งที่มันแสดงอาการต่างๆเนี่ยมันเป็นเพียงแค่รูป มันเป็นไปแค่นานสติเนี่ยมันจะเห็นรูปสติเห็นนามนะอย่างที่มันเป็นไม่ได้เป็นแบบไหนก็ได้เนะสติจะค่อยๆแยกออกมาแต่ถ้าตอนนำสมาธิเราไม่มากมันก็จะเรียกว่าเกิดสติเกิดการรู้ทีละขณะนะทีละขณะนะทีละขณะนะการที่รู้ทีละขณะเนะี่ยก็เรียกว่าเป็นสมาธินะ เป็นคณิกะสมาธิขนาดสมาธิที่เกิดขึ้นทีลขนาดพร้อมกับสตินะเป็นสมาธิแล้วก็สติก็คู่กันไปเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นเห็นแล้วไม่ไปตามความคิดตามอารมณ์อันนั้นก็เป็นปัญญานะรู้ว่ามันเกิดขึ้นมาวางมันได้เนะี่ยเป็นปัญญาเป็นวินวุดนะเป็นทั้ง สติเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาเป็นทั้งวิมุตินะหรือจะพูดอย่างเป็นทั้งสิ่งก็ได้พอไม่ทําตามความคิดตามลารมมันก็มีทั้งหมดเลยคือปฏิบัติธรรมนะหนึ่งคณะจิตที่ปฏิบัติถูกนะเป็นมากเป็นผลโดยตัวของมันเองเลยกนะารภาวนาเนี่ยมันได้ผลทันทีนะไม่ต้องรอ ไม่ต้องรอว่าเราจะต้องบรรลุธรรมอะไรนะปฏิบัติธรรมให้มันได้ผลทันทีเราทาแบบนี้นะเนี่ยคือเวลาเราฝึกสติเวลารู้สึกตัวที่ร่างกายก็เหมือนกันอารมณ์ความคิดมันมันเข้าม า, มาครอบครอบงำจิตไม่ได้นะก็คือผลนกะ็คือผลที่เราปฏิบัติถูกนะแต่บางทีถ้าเราถ้าเรากลัว หรือถ้าเราไม่ชอบที่มันจะหลงไม่ชอบที่มันจะคิดเราจะกลายเป็นเหมือนตั้งใจที่จะรู้ตัวมากเกินไปหรือไปประคองตัวรู้ถามว่าบางทีมันก็ทำให้ไม่คิดทำให้ไม่หลงในเชิงเป็นอารมณ์อย่างอื่นแต่สิ่งที่ทำผิดคือความรู้สึกอยากหรือความรู้สึกกลัวอยากให้มันไม่คิด หรือกลัวที่มันจะคิดคลัวที่มันจะลงอะไเนี่ยคือตัณหาอย่างหนึ่งยคือตัณหาคือความอยากให้มันเป็นอย่างนี้เช่นอยากให้มันเฉยๆอยากให้มันไม่คิดนี่ก็คือตัณหาถ้าเราภาวนาแล้วบางทีมันไปไปกดเป็ข่มไปจ้องไปประคองเนี่ยบางทีก็ต้องรู้ทันเนาะนั้นต้องรู้ทันตัวนี้นรู้ทันว่า เราเป็นสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งนะบางคนนักปฏิบัติธรรมบางที่นะตเคยสังเกตด้วยเองบางทีพอเราจะปฏิบัติธรรมมันจะเหมือนเราจะสร้างฟองอะไรสักอย่างหนึงกับร่างกายเราหรือว่าจิตใจนะักเหมือนสร้างเป็นสร้างสภาวะสักอย่างนะที่มันนิ่งๆผิดธรรมชาตินะร่างกายก็ นิ่งๆปธรรมชาติจิตใจก็นิ่งๆปิดธรรมชาติ น, าต น, นั้นมาเริ่มเหมือนเหมือนสร้างฟองสร้างฟองนักปฏิบัติอ <c oughs> พอเราสร้างฟองนักปฏิบัตินะแล้วมันก็จะมีความคิดความเห็นว่าเราปฏิบัติธรรมเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เราก็ต้องไม่เป็นอย่างนี้ใ <c> ช <oughs> ่ไหมเวลาทำแล้วเอือก็อยากจะให้มันสุก อยากให้มันสบายอยากให้มันไม่คิดนะแล้วมันก็จะดีความไม่อยากเป็นไม่อยากให้มันฟุ้งซ่านไม่อยากให้มันง่วงไม่อยากให้มันคิดมันจะมีพอเราพอเราไปคาดหวังอีกด้านหนึ่งเราก็ปฏิเสธอีกด้านหนึงเหมือนกันใช่พอสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่ไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังเราก็ทุกข์ใช่ไหพอมันง่วงก็ทุกข์สิ พอมันฟุ้งร้านก็ทุกข์สิพอมันคิดยิ่งคิดไม่ดีนะก็ยิ่งทุกข์เราเป็นนักปฏิบัติธรรมทำไมเราคิดไม่ดีกับพ่อกับแม่เราคิดไม่ดีกับครูบาอาจารย์เราคิดไม่ดีกับพระพุทธพระธ ร, รรมเลยนะอืมก็ทุกข์หนักนะบางทีนักปฏิบัติธรรมบางคนเครียดหรือทุกข์มากกว่าคนธรรมดาเพราะว่ามันมีความคิดที่อยากจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วพอมันไมไ่เป็นอย่างที่เราคิดมันก็เลยทุกแต่ถ้าจะปฏิบัติทำให้ถูกจริงๆนะนักปฏิบททัติธรรมนะถ้าปฏิบัติไม่ถูกคือวางการคาดหวังว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะไม่ต้องไปคาดหวังมนะันจะเกิดอะไรก็แล้วแต่เราทนะําหน้าที่เป็นเป็นนักเรียนเป็นผู้เรียนรู้หรือว่า คล้ายเหมือนเป็นนักวิจัยเลยแหละเป็นคนที่สังเกตสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นจะดีก็ตามไม่ดีก็ตามจะชอบใจไม่ชอบใจก็ตามเราดูมันเป็นคนสังเกตอาการของมันดูถ้าเราสังเกตมันได้นะอาการนะ่ะมันจะแสดงความจริงให้เราเห็นว่าควาอาการที่เกิดขึ้นน่ะล้วนแต่ ตกอยู่ในกฎของใจรลักถ้าเราเห็นด้วยปัญญานะี่ยว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนี่ยอันนั้นแหละคือเราเห็นพระนิพพานอยู่ตรงนั้นเราเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ร่างกายมันเป็นทุกข์จิตใจมันเป็นทุกข์อันนั้นแหละเราก็ถึงนิพพานเราเห็นด้วยปัญญาว่า สำขาญคือร่างกายจิตใจมันเป็นอนัตตามันบังคับบัญชาไม่ได้มันเกิดของมันเองตามเหตุตามปัจจัยนะเราจะเข้าใจน่ะคือถ้าเราเป็นผู้สังเกตเราเป็นผู้ที่ดูนะจะเห็นว่าทุกอย่างนะมันไม่เที่ยงปวดนะแต่มันก็หายปวดการหายปวดไม่ใช่เพราะเราอยากให้หายนะมันหายของมันเองมันปวดขึ้นก็ปวดของมันเองมันหายก็หายของมันเองนะ นั้นเราปฏิบัติไม่ใช่เช่นจะนั่งนานๆให้มันหายปวดไม่ใช่ตั้งใจแบบนั้นนะนะหรือมันม่วงอ่ะเราอาจจะยกมือเร็วขึ้นเราอาจจะเดินเร็วขึ้นาอาจจะทำอย่างอื่นแต่ที่จริงไม่ได้ทําให้หายง่วงนะทําให้มันมีสติมากขึ้นเพื่อคล้ายๆตัวา ม, ม่วงมันจะได้ไม่ครอบงำไปทั้งหมดคล้ายๆสู้ออกมาแต่ไม่ใช่สู้ให้มันหายแต่สร้างสติขึ้นมา สร้งปฏิขึ้นมาเหมือนกับคือเราเน้นแค่การทํำยังไงก็ได้ให้มมีสติปลุกสติขึ้นมาไม่ต้องไปนเน้นที่การทําให้สิ่งตรงข้ามมันหายคือธรรมชาติมันเป็นแบบนี้แล้วเหมือนความมืดกับความสว่างน่ยธรรมชาติมันมันจัดการกับมันเองหน้าที่เราอ่ะเปิดไฟจุดเทียนส่องใช้ฉา ควาสว่างก็เกิดขึ้นความมื่อก็หายของบมาเองหน้าที่เราคือแค่นั้นนะเหมือนกินข้าวไม่ต้องไปคิดว่ามันอะไรจะอิ่มกินเข้าไปมันก็อิ่มของมันอันนี้คือเหมือนเราเดินทางเหมือนเราเดินเรื่อยเรื่อยมันก็เข้าใกล้จุดหมายปลายทางถ้าเราเดินตูกทางนั้นภาวนาจริงไม่ไม่ต้องใช้ความคิดในการไปแก้ปัญหาไปแก้ความทุกข์แต่ใช้สติกนี่แหละ ทําไงเราถึงจะสร้างสติแล้วก็สติไมันจะไปจัดการกับกับกิเลสเองนะแต่ก่อนอจะมาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเชื่อหรือไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเวอร์เกินไปนักทีเอาแต่สติอย่างเดียวแนละ้วแหละเดี๋ยวทุกอย่างมันดีของมันเองเดี๋ยวมันเกิดของมันเองแต่พอภาไปเรื่มารู้สึกว่าแต่ถ้ามันไม่มีสตินะ อย่างอื่นมันก็มายากคือถ้าเราไม่มีสติเราก็จะไม่มีความขยันในการทําถ้าเราไม่มีสติเราก็ไม่มีอุเบกขาวางใจเป็นการต น, น, นไม่ได้ถ้าเราไม่มีสติสมาธิมันก็ไม่มีวิธูนะมารู้สึกว่าสตินมันเป็นองค์ธรรมที่ที่ดึงองค์ธรรมอื่นๆเข้ามามาประกอบกันนะ อาจจะไม่ใช่สติตัวเดียวเป็นตัวจัด ก, การทั้งหลดกหรอกแต่มันเหมือนเป็นตัวที่ดึงดึงเอาสิ่งต่างๆเข้ามาประกอบกันดังนั้ น, น, นที่เราเรียนสตนะิเราสร้างสตินะทําตัวเนี้ยนะเดี๋ยวสิ่งอื่นๆมันมันก็มาคู่กับสติเคลมไม่ต้องเป็นทางปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าอะไรทำไมหลวงพ่ะเคลมว่าันเป็นทางรัฐเป็นทางตรงคือบางทียวไม่ต้องไปเรียนมากไม่ต้องไปดูมาก ไม่ต้องไปศึกษาหลายวิธีแตกฉานในเชิงตำลับตำร า, ำราจุดทกเทียงอะไรมากหรอกเพราะหลวงพ่อเทียนท่านเน้นการปฏิบัตินะผูดธรรมะไม่เป็นไม่เก่งไม่เป็นไรนะเทียนสู้คนอื่นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เราปฏิบัติแล้วเรารู้สึกตัวได้นะเดือเราเห็นอารมณ์ของตัวเองเวลาเขาพูดไม่ถูกเวลาเขา มานั่นนี่เราเห็นอารมณ์เรานะจะเข้าใจแล้วแพ้เป็นพระชนะเป็นมาในแบบไหนนะพราคนชนะเราชนะในทางโลกในทางตกเพียงแต่เรายอมได้นะยอมนะไม่รู้เปลียนเปลียนทำไมเขามิฟังนะี่ก็ยอมก็สบายแต่ถ้าเราไม่ยอมเนะี่ยจะเอาถูกเอาผิดเอาแพ้ชนะเนี่ยก็แพ้ทั้งคู่ น, นั่นแหละไม่มีใครชนะหรอกนะกีเรศชนะนะ แต่ถ้าเรายอมได้เย็นได้วางได้เนี่ยอืมอันนี้ยสติชนะธรร ม, มชนะแล้วนะทําตรงนี้บ่ยอยๆเนาะที่เรามาฝึกสติกันทุกวันหลายคนก็ฝึกหลายปีแล้วก็ทำให้มันมากเกี่ยวไม่มีอะไรมากกว่าความทําให้มันต่อเนื่องไม่ได้เกิดคนเพราะเราทําให้มันมากๆทําให้มันต่อเนื่อง ทำให้มันถูกทางอย่างนี้แหละนะหลายคนทำเป็นประจำก็คงเห็นผลเยอะแล้วเนะอืมก็ได้มาเป็นประจำนะหรือทำเป็นประจำทุกวันเยอแล้วนะนะั่นแ่ะคือผลที่เราสัมผัสได้ถ้าเราสัมผัสผลตรงนี้ได้นะไม่ต้องให้ใครมามารับรองหรอกนะไม่ต้องให้ใครบอกว่าเราทำถูกหรือทำผิดเรา เราจะรู้สึกได้ในตัวของเราเองว่าวันวันหนึ่งเรามีสติมากมวันวันหนึ่งเราเห็นกิเลสมันเกิดขึ้นบ่อยไหมนะไม่ใช่ไม่มีกิเลสนะแต่พอมีสติไม่จะเห็นกิเลสนะแต่แต่ก่อนถ้าไม่มีสติ่นะมันจะเข้าไปเป็นกับกับกิเลสเนะแต่พอมีสติจะรู้สึกเออมันมีกิเลสเกิดขึ้นมา มันมีอารมณ์มันมีความคิดเกิดขึ้นมาแต่แต่กิเลสอารมณ์ความคิดมันข้องํำใจไม่ได้เหมือนเขามันก็เลยรู้สึกว่ามันทุกข์น้อกว่าเก่เา <c ười> จิตมันจะเบาสบายเป็นอิสระนะเป็นปกติมากขึ้นเมื่อปฏิบัติถูกนะจิตมันจะมันจะคล้ายคมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่น มันมีแต่สิ่งที่มันจะมากระทบแต่แต่มันกระทบแล้วมันไม่กระเทือนแต่ก่อนตามกระทบแลมันกระเทือนถึงใจถึงอารมณ์ทุกอย่างเลยหูเสียงเพราะเสียงดา่านะมันกระเทือนทั้งในทั้งหมดอาหารก็เหมือนกันนะมันกระทบลิ้นนะแต่ไม่ใช่กระทบแต่ลิ้นยังทําให้เกิดความชอบความไม่ชอบเกิดการตําห น, นิ เกิดการชมมากมายนะหรืออารมณ์ความคิดอดีตอนาคตมันก็กระทบแล้วก็เทือนปรุงแต่งไปสัตว์เราแต่ตอนหลังมันเะรู้สึกเลยกระทบแล้วมันกระเทือนนน้อยลงหรือหลายอารมณ์กระทบแล้วก็มีกระเทือนอันนี้เจะเห็นเลยไม่ใช่ตั้งใจให้มันไม่กระเทือนนะอแต่มันจะรู้สึกได้ว่าพอที่เห็นมันตรงๆเห็นจิดเฉยเนะี่ยมันมันไม่เป็นไร มันก็แค่รู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นนี่คือใจที่เป็นปกติใจที่ปกติเนี่ยแหละเป็นธรรมชาติของจิตเดิมแท้หรือใจที่มันเป็นประพาสสอนของใสู่่แล้วนะมันก็จะมียางอื่นมาแทนที่นะใจปกติไม่ใช่ว่าเฉยอย่างเดียวนรับนะเช่แต่ก่อนเราเป็นคนโกรธง่ายขี้โกรธนะ พอใจมีสติมากขึ้นนะเมตตามันเข้ามาอยู่ในใจมากมาแทนเองนะแต่ก่อนเราคิดเมตตาคนอื่นไม่มไมค่อยเป็นหรอกแต่พอมีสติมากขึ้นนะมันเมตตาเองเมตตาก็อะไรมาเห็นตัวเองนั่นแหละนะเช่นเห็นตัวเองเคยโกรธมันก็รู้สึกมันทุกข์มันไม่ถูกเห็นคนอื่นก็โกรธนะก็เข้าใจเขากอ ถ้าเขาขาดสติเขาก็เลยเป็นแบบนี้ถ้าเขาไม่มีสตินะเขาก็ไม่เป็นแบบเราได้เข้าใจเขาให้ความหลงที่เขาแสดงก็เราก็เคยแสดงแบบนั้นเหมือนกันแหะก็จะเป็นโกรธเขาเกียดเขาก็โกรธไม่ลงเกียดไม่ลงเพราะว่าเขาเห็นมันัวเอีกก็เคเป็นนะแล้วในจริงเขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นเหมือนเราเองก็ไม่ได้อยากจะเป็นความเมตตาความกรุณาความอุเบกขาต่างๆนะมันก็จะเข้ามา ในจิตที่มีสตินี่แหละนะมันก็เลยเป็นจิตที่มีพรหมวิหารนะเป็นจิตที่มีความสุขนะความสุขเพราะความปล่อยวางเพราะความไม่ไม่แปนะพาลาฮาเวเป็นจักขันพานะั่นแหละขันห้าเป็นของหนักแต่ของหนักนะเหมือนไม้ไนงะถ้ายกมันก็หนักแต่ถ้าใช้เวลาจับมันก็มีหนักนะ ก็ใช้อยอะนะคือเราอยู่ของโลกเราก็ต้องใช้สังขารก็ต้องใช้นะเราก็ต้องใช้สัญญาก็ต้องใช้เจ็บพูดว่าอันนี้เป็นภาษาอะไรก็มีู้เราก็ต้องพูดว่าคืใหม่แต่ก็ต้องพูดภาษาไทยให้คนไทยเข้าใจเจ็พูดภาษาอื่นก็ไม่ได้สัญญาเราก็ต้องใช้สังขารเราก็ต้องใช้แต่ใช้แล้วก็ต้องจับวางไงอ่า มันก็ไม่นมันก็ไม่เป็นทุกข์นะแต่บางคนถูกมันใช้ถูกสังขารมันใช้จนนอนไม่หลักปรุงแต่งนะถูกสังาขารก็ใช้จะกินจะนอนจะทำอะไรก็ได้แต่แตก็มีแต่ความคิดวนเวียนในสมองนะใจก็ไม่ได้พักอันนั้นเรียกว่าถูกใช้แต่ถ้าเรามีสติเราจะใช้เขาใช้เขา บางทีมันใช้ไม่ออกก็วางนะคิดไม่ออกจำไม่ได้นะียนะเนี่ยหรือบางทีพอแก่มากๆนะจับสุกวิญ ญ, ญาณสื่อการพับรู้ทางต า, ง ก, าก็อาจจะมองไม่เห็นอาจจะตาป้าอาจจะตาบอดหัวอาจจะหย่อนหัวอาจจะ ด, ดับนะมันก็เป็นเรื่องที่เออใช้มานานแล้วก็รู้ว่ามันมันทำเนาะก็ธรรมชาติอนยะ่างนี้ ก็วางได้นะก็ปล่อยได้อันนี้คือธรรมะเนาะที่เราที่มันจะเกิดผลนะมันไม่ใช่เพียงแค่ปริยัตาคือการเรียนการจำนะไม่ใช่แค่ปฏิบัตินะสื่อกธรรมนะแต่มันต้องมีปฏิเวทคือผลนะมันเป็นทั้งมายว่าทั้งสามส่วนประกอบกันนเะช่นเราทำไปแล้ว เกิดผลอย่างไรทํามาแล้วมันถูกมันผิดทํามาแล้วมันใช่มันไม่ใช่มันก็คือผลมันก็เป็นปฏิเวทที่เป็นการเป็นข้อมูล <c oughs> เป็นเป็นข้อมูลที่เราได้นำมาทําใหม่เออเช่นนั้นไม่ทําแบบเก่งเกงเกินไปผลมันก็คือความตึงความเครียดอันนี้ก็คือผล แล้วมันก็กลับมันเป็นข้อมูลวนะ่าเออทําแบบนี้เกิดผลแบบนี้ต่อไปจะไปทําเกณฑ์ทาเครียดมันก็ไม่ทำํำมันก็ทําพอดีขึ้นหรือบางทีทําเบาเกินไปใจพุ่งซ่านสติอ่อนไปเออก็ดูว่าเออทําแบบนี้ผลเป็นแบบนี้นะอันนี้คือมาว่าบางทีปฏิบัติทำตรงนีงนะมันเป็นครบทั้งทั้งสามส่วนนะป วิทยาปฏิบัติปฏิเวธนะเกิดผลเกิดการเรียนรู้แล้วก็มีการกระทำด้วยนะเป็นแ ก, กนกลางน้ก็ให้พวกเราทุกคนได้ได้ตั้งใจเนาะนะนะตั้งใจปฏิบัติแล้วก็สังเกตว่าปฏิบัติแบบนี้มันเกิดผลอย่างไรนะมันถูกมันผิดมันใช่ไม่ใช่อย่างไรก็ดูนะดูไม่คิดนะ ไม่ใช่ใจ่ก่อนคิดว่าให้มันใช่ไม่ใช่แต่แต่มันเกิดคนอะมันรู้สึกได้เองทำแล้วนใจมันหนักไม่ใช่คิดว่าใจมันหนักหรือไม่หนักน่ะแต่คนก็คือที่ใจมันหนักเนี่ยคือมันคนมันเกิดเป็นความความเข้าใจทําไปแล้วเออให้มันเมาสบายดีแต่บางทีนะคนที่มันเกิดเป็นเหมือนเป็นด้านสุขด้านบวกเนะ่บางทีก็ไม่ได้ถูกทั้งหมด บางทีเช่นใจมันเบาใจมันสบายเช่นมีความสุขเพราะมีสติมีสมาธิที่ถูกต้องก็ใช่หรือบางทีเพราะเป็นสร้างท้างสภาวะเบาๆสร้างแล้วก็ไปอยู่ในอัคคะโรนนั้นก็มีไอ้ผลที่มันเกิดด้านลบเนี่ยมันชัดเจนเลยว่ามันไม่ใช่นะ <c oughs> แต่ผลที่มันเกิดแบบด้านบวกเนี่ยบางทีอาจจะ อาจจะใช่ก็ได้คืออาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะไปสร้างก็ได้ต้องระวังแต่ถ้าตัวที่จะรู้เลยว่าถูกที่สุดเลยคือสภาวะที่ดูดูสิ่งที่เกิดขึ้นจะไม่ดีเราก็เห็นมันหรือสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะดีเราก็ไม่เข้าไปอยู่ประมันสภาวะที่ดูเนี่ยถูกที่สุดเลยอ่าคือจะสุกก็ตามทุกก็ตาม อารมณ์จะเป็นแบบไหนก็ตามถ้าเราดูมันอยู่นะไม่เข้าไปเป็นสบายก็ไม่เข้าไปอยู่ในความสบายเขียนว่ามันสบายเนี่ยคือถูกแต่ถ้าสบายแล้วเราก็าไปอยู่ในในอ า, อารมณ์สบายประคองตัวไวนะ้อยู่แบบนั้นนี่อาจจะผิดนนะก็เราต้องสังเกตตัวเองว่าขณะที่ปฏิบัติเราไปสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็ไปอยู่ในตรงนั้นไม่แต่ถ้าสติจเฉยๆมันจะมันจะ มันก็จะอยู่ของมาตัะหานเนาะแต่ก็ไม่ใช่ประคองให้มันอยู่ตัะหาตลอดนะมันจะดับไปก็ห้ามไม่ได้สปล่อยมันนะก็สร้างใหม่เรื่อยๆเนาะนะี่คือสิ่งที่เราปฏิบัตินะก็ปากไว้นะ